ประคองจะไปสุขติพวกเราเวลาคนที่เรารักจะตายนะอย่าคลั่มคลวนอย่าร้องห่มร้องไห้อย่าไปโอดครวญอย่าไปจับเขาเขย่าอะไรเงี้ยคนเก็บหนักๆจิตตกจิตเสียจิตเดี๋ยวจะไปทุคติเดี๋ยวจะตกนรกนะนะตกนรกแล้วลูกรัก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 แต่ว่าต้องยอมรับสบภาพอ่ะไม่ว่าไปทํากรรมใดๆไว้ถ้าทําอกุศลไว้จิตจะต้องมองไปช่วงหนึ่งทําอกุศลเบาๆก็มองสั้นหน่อยทอําอกุศลรุนแรงก็มองอย่างรุนแรงยืดเยื้อยาวนา น, นคนติดไปเป็นตราบาปไปยืดเยื้อยาวนานข้ามพข้มชาติไปแล้วแต่เรื่องที่รุนแรงฉนั้นให้เรามีสติไว้เราจะเกรงกลัวบาปเพาเราเห็นจริงๆ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 ระลึไปแล้วเลยรู้เลยต่างสารวัต น, นี้น่ากลัวคนทั้งหลายนะเวียนตายเวียนเกิดขึ้นขึ้นลงลงตลอดเวลาเลยไม่มีสุขท้าววอนจเจริญทาววอนไม่มีหลายคนเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพระจักรพรรดิราช ก, กลับมาเป็นชาวไล่ชาวนาเป็นคนยากคนจนเลยก็มีนะวนเวียน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 งูเขียวก็เห็นงูก็ไม่เอาใช่ไหมหลายคนกลัวจิ้งจกกลัวทุกแกถือว่าเอ้ยตัวอะไรน่ารักดีแบกมาเอ้ยจิ้งจกลมใส่เลยก็มีนะหรือบางคนกลัวแมงสาบมีใครกลัวแมงสาบไหมสังเกตไหมแมงสาบแมงสาบเนี่ยจะมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งคนไหนกลัวน่จะเจอบ่อยรู้สึกไหม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 ภาวนามานะมาจบในพระพุทธเจ้าองค์นี้สององค์ใช่มสององค์นี่นอาศัยทำทานถือศีลนะทาความสงบจิตใจที่ทิ้งไม่ได้คือฟังธรรมอาศัยการฟังฟังซ้าแล้วซ้าอีกนะด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่เบิกบานร่าเริงฟังมากข้ามากข้าววันหนึ่งมันปิ๊งขึ้นมาปิ๊งขึ้นมาเลยรู้วิจิปฏิบัติ พอรู้วิธีปฏิบัติแล้วไม่เนิ่นนานเท่าไหร่นะประมาณ3 1มสกับหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เนิ่นานานมากนะพอรู้แล้วสั้นนิดเดียวนะเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาเป็นอาสงไข่อาสงไข่กับอสงไข่หนึ่งเนี่ยสิ 10, ยกกาลัง150ยหแต่ละคนเกิดมานักหนาสาหัสนะเนิ่นนานา น, นิดเดียว